พระพุทธเจ้าถามพระราหุลว่าดูก่อนราหุลจากสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะยึดถือว่าเป็นนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรก็แปลว่าควรละฉันทราคะในจากสุสะเนี่ยนะเพราะว่าข้อปฏิบัติในพระศาสนาเนี่ยนะตัด ตัดตาเนี่ยตาควรละไม่ได้แปลว่าควักตาออกแต่แปลว่าตัดอะไรอวัยวะในต า, านีะตัดเยื่อใหญ่ในตาอั น, น, นหูควรละก็ไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาทิ่มหูเสหูเสียเลยไม่ใช่ก็ใช้หูตามปกตินั่นแหละแต่ตัดเยื่อใยในหูเนะจมูกก็ใช้ตามปกติแต่ตัดฉันธราคะในจมูกลิ้นก็ใช้อย่างปกติแต่ก็ตัดฉันธราคะในลิ้น ตายก็ยังอยู่ตลอดต่อไปเนี่ยตามตามธรรมดาไม่ได้ไปฆ่าตัวตายอะไรแต่ก็ตัดอะไรตัดเยื่อใยในกายความคิดก็คิดตายในคิดในสิ่งที่เป็นตายกับสิกขาแต่ก็ไม่ยึดถือในความคิดว่าความคิดเป็นสิ่งที่เที่ยงความคิดเป็นสิ่งที่ยั่งยืนความคิดเป็นสิ่งที่เป็นอัตตาว่ามีอำนาจอะไรในความคิดที่จริงแท้ เพราะตาหูจมูกิลนกายใจเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรละเนี่ยนะคำว่าละในที่นี้ทัวในค้างหมายถึงการตัดฉันทราคาเนี่ยนะตัดอะไรตัดความยืดให มันพุทธพจน์ที่ว่าสับพังพิฆเเวปหาตัดพังดูก่อนพิสูุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรละในธรรมเหล่านั้นควรละจักสุเป็นต้นด้วยการตัดฉันทราคะในจักสุละฉันทราคะในจักสุทะได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเนี่ยแหละเมื่ อ, อไรเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเพราะฉะนั้นการตัดได้อย่างแท้จริงต่อเมื่อรู้สึกว่าเบื่อหน่ายอึดอัดชิงชังใน ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างแท้จริ ง, งแต่ก็ขณะดเดียวกันนะคนที่ฟังไม่ดีบอกงั้นก็ฆ่าตัวตายซะเลยไม่ใช่นะไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นก็ใช้ชีวิตต่อไปนี่แหละแต่ว่าตัดอลัยอาวรนตัดความยืใหญ่คือรู้รู้อะไรรู้อัาธ า, าทีนวะนิสรณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสวิญ ญ, ญาณทัศและเวทนา ทีนี้ในหน้าสามนี้บอกถึงข้อปฏิบัติเพื่อที่จะได้ละจักสุได้นะคำว่าละในทีนี้คือละวิปลาสละความวิปลาสว่าจักสุเป็นของเที่ยงละความวิปลาสว่าเป็นสุขละความวิปลาสว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ย่อมละอะไรละนิจจะสัญญาได้ ถ้าเห็นรูปโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาได้ถ้าพิจารณารูปโดยความเป็นอนัตตก็ละอัตสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้เมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความคลายกำหนัดก็ละราคะได้เมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นของดับก็ละสมุทัยได้เมื่อพิจารณารูปโดยความสลัดคินก็ละได้อะไร อาถรรพ์นะนะความยึดถือเอาไว้ได้ก็คือผู้ที่เห็นพิจารณาเห็นตัวนี้เป็นชื่อของอะไรพิจารณาเห็นแปลเป็นบาลีสิฮึมแปลว่าอนุปัสนาแปลว่ากะเห็นตัวนี้เห็นโดยอนุปัสนาเจ็ดคือเจริญอนุปัสนาเจ็ดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณการเจริญอนุปัสนาเจ็ดในรูปนั่นแหละเรียกว่าการเจริญ กายานุปัสนาเนี่ยนะการเจริญกายานุปัสนาตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นรูปโดยความเป็นทุกข์ตามเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาตามเห็นรูปโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายตามเห็นรูปโดยคลายกำหนัดตามเห็นรูปโดยความดับตามเห็นรูปโดยความสละคืนเมื่อตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละความสําคัญว่าเที่ยงได้เมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นทุกข์ก็ละความสําคัญหมายว่าเป็นสุขได้พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตก็ละ ความสําคัญหมายว่าเป็นอัตตาได้พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้เ <c oughs> มื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความคลายกําหนัดก็ละควละราคะได้เมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความดับก็ละสมุทัยได้เมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความสละเทืนก็ละความยึดถืออาถารพเนี่ยนะความถือเอาไว้ได้ ก็พิจารณาอะนะเจาริญอนุปัสนาเจ็บในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือในธรรมะสองร้อยขอไปร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแปดก็ตัดอะไรนะตัดโลกุตระออกไปใช่ไหมตัดอันอัน ญ, ญาตันยศามีติน4ีอันยิน4ีอันญาตาวิน4ีออกไป น, นะก็เหลือร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยนะเอาออกสามอะ น, นะสองร้อยหนึ่งเอาออกสาม ก็เจริญอนุปัสนาเจตในธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อเจริญอนุปัสนาเจตในธรรมะเหล่านี้ได้ทั้งหมดก็ก็สามารถละกิเลสที่ควรละได้กิเลสที่ควรละที่แท้จริงเนี่ยนะไอ้ที่เราบอกว่าอละราคะละโทสะละโมหะมานะละอัสมิมานะละวิชาละภาวะการหาอะไรเป็นต้นเนี่ยนะไอ้สิ่งใหญ่ๆเหล่านั้นจริงๆอ่ะถ้าจะละจริงต้องหัดมาละวิปัสสาดก่อน ละความสำคัญผิดว่าเที่ยงในสิ่งเหล่านี้ก่อนละความสำคัญว่าเป็นสุขในสิ่งเหล่านี้ละความสำคัญว่าเป็นอัตตาซึ่งความจริงยังไงมันก็ไม่เที่ยงใช่แ ต, แต่แต่ตัหามันบอกว่ามันบอกว่าเที่ยงแต่เที่ยงไม่นานเที่ยงเหมือนกันโอ้ยอีกหลายปีอย่างงี้ยว่ะอันน พ่านไอตรงนี้แหละที่ต้องมาเจริญอะไรนะกาลาปะสัมมาสนะพิจารณาความไม่เที่ยงโดยวัยนะปฐมวัยมัชชิมวัยและปัชิมาวัยหรือพิจารณาทุกๆสิปีทุกๆห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีหรือทุกๆสามเอ่อทุกๆสี่เดือนนะทุกๆสี่เดือนเรียกว่าฤดูใช่ไหมสี่เดือนเรียกว่าหนึ่งฤดูหรือพิจารณาทุกๆสองเดือนหรือพิจารณาทุกข้างขึ้นและ ข้างแรมก็มาพิจารณาการพิจารณาเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยเพื่อการตัดฉันธราคะในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าถ้ารู้ความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เท่าใดคือถ้ารู้ความจริงในความไม่เที่ยงเท่าใดก็จกละตันหาลละสมุทัยละกิเลสละบาปอากุศลได้เท่านั้นดัง <c oughs> การพิจารณาจนถึงพิจารณาพระนิพพานเนี่ยนะ อันอยังลงสู่อมตะ ด, ด้วยความเป็นอนัตตาว่าพระนิพพานก็เป็นอนัตตาแต่นิพพานนี่เป็นสิ่งที่เที่ยงใช่ไหสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่ใช้กับสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นทุกก็ใช้กับสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเคยไดียนะินสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาแต่สัพเพธรรมาอนัตตานาี่ในมขวะมควะคาถาธรรมบที อ, องคตว่า เมื่อใดบุคคลเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนนเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัฏทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในวัฏทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานนั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดท่านการเห็นว่าสับพาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่าสับพาสังขารทั้งมวลโดยความเป็นทุกข์เห็นว่าทำทั้งมวลโดยความเป็นอนัตตา เขาย่อมเบื่อหน่ายในวัตทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในวัตทุกในสิ่งที่ตนหลงทั้งหมดนั่นเป็นทางแห่งพระนิผานตัวอีกครั้งหนึ่งถ้าพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะอะไรน่ากลัวนิมิตน่ากลัวอันนรูปอะไรนิมิตคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นของที่น่ากลัวถ้าพิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์อะไรน่ากลัว ปวัตตะคือการเป็นไปในวัตตะเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาอะไรน่ากลัวทั้งนิมิตและปะวัตตะเป็นสิ่งที่น่ากลัวย้อนอีกครั้งหนึ่งนิมิตเนี่ยคือเครื่องหมายเครื่องหมายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนิมิตคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเคยเห็นไหมว่ามันเที่ยงเคยได้ยินไหมว่ารูปเที่ยงเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณเป็นสิ่งที่เที่ยงก็ไม่มีเมื่อไม่มีจักไปสำคัญเครื่องหมายเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนได้อย่างไรเพราะเมื่อพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงมากๆเครื่องหมายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้กลายเป็นของที่น่ากลัวถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ล่ะก็ขันห้านี่แหละที่เป็นไปในสังสารวัตเนี่ยนะที่เป็นไปในสังสารวัร ที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นไปกับชาติชรามรณาโสกกะปริเทวทุกขโทมณัตและอุปายาตเป็นต้นเมื่อพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปกับชาติชรามรณะที่เป็นไปในภูมิสามความเป็นไปของของวัตตะเหล่านี้จึงเป็นของที่น่ากลัวไอ้ความเป็นไปอันนั้นก็คือขันธ์ท่านั่นแหละที่เป็นไปไม่เที่ยงด้วยแล้วเป็นไปในวัตตทุกข์ด้วยคุมอะไรก็ไม่ได้สักอย่าง น่าสนใจไหมนะเนี่ยน่ากลัวไหมดูแลอะไรก็ไม่ได้เลยสมมติแม่เขาบอกว่าเอาคุณไปเป็นหัวหน้างานอยู่ตรงนี้นะ่อะยกงานตรงนี้ทั้งหมดให้คุณคุณมีหน้าที่ดูแลพนักงานห้าสิบคนหรือร้อยคนแต่ว่าพนักงานอยากเข้าอยากออกตามใจพนักงานหมดเลยนะอยากมาทํางานก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาใครอยากลาก็ลาไม่อยากลาก็ไม่ลาจะประท้วงวันละเดือดรอบก็ใหม่เป็นไรนะเนี่ย แต่ให้คุณยกให้เป็นของคุณเน่ะแต่ว่าคุณไม่มีอำนาจอะไรเลยทำไหมเหมือนให้เราไปเป็นตำรวจจราจรอยู่อินเดียโบกซ้ายก็แล้วบกขวาก็เงียบะนะมันอยากมาก็มาอยากแซงก็แซงเรียกใครให้จอดมันก็ไม่จอดเนี่ยทําอะไรได้ไปยืนกลางถนนเนี่ยมันชนตายอย่างเงน้ะแต่ให้เป็นตำรวจจราจรคุมบริเวณเนี่ยน่าเอาไหมหมอไม่เป็นตำรวจจราจรอยู่อินเดีย ดีแปรกันสนันเมืองไปหมดเนี่ยนะชันใดก็ดีขันห้าเป็นอย่างนั้นนะตามันก็ไปเรื่องของตาหูก็ไปเรื่องของหูจมูกก็ไปเรื่องของจมูกลิ้นก <effort> ็ไปเรื่องของลิ้นผมก็ไปเรื่องของผมขนก็ไปเรื่องของขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตมันอยากไปอะไรก็ตามเรื่องของมันหมดเลยไม่มีอำนาจไปคุมอะไรซากอย่างอ่ะนะเวทนามันก็แล้วแต่เวทนาสัญญามันก็เอาเรื่องของมันไปสังขารก็เอาเรื่องวิญญาณก็ไปตามเรื่อง มีอำนาจอะไรเลยนะใครบอกว่าโอ้จิตเนี่ยฉันมีอำนาจคุมตานะคุมหูคุมจมูกคุมลิ้นเนี่ยนะหมอตายังเป็นโรคตาอะไรอย่างเงี้นยนะงเี้ยนะไม่รู้หมอลำไส้เป็นโรคลำไส้บ้างหรือเปล่า ไ, ไม่ทราบมีเหมือนกันหรือไมีเหมือนกันนะนนะในกวามในความแข็งจริงนะอ่ะนะเพราะเขาเป็นอนัตตาใครมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้จริงๆอย่างเงี้ยนะจิตแพทย์เป็นโรคจิตไหม อันนี้หนักกับเพื่อนเลยนะเป็นมากกว่เพื่อนโดยซ้ําไปเพราะงั้นเพราะฉะนั้นในโลกของสังขารทั้งหลายเนี่ยใครมีอํานาจจริงๆบ้างเอาเมื่อไม่มีอํานาจจริงแต่บอกว่าเป็นของคุณอนะ่ะเพราะในคําว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะหมายคือว่าของของคุณแต่คุณไม่มีอํานาจเนี่ยนะคือคือพี่เรียกว่าสําคัญว่าเป็นของเราอ่ะนะแต่เราไม่มีอํานาจอะไรเลยอันนะัไปไปคุมอะไรไม่ได้เลยนะ คิดง่ายๆเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นสมมตินะเราเป็นเจ้าของประเทศอิรักเนี่ยแต่ว่าดูแลอะไรไม่ได้เลยนะถ้าสึกอยากจะมารุกรานอยากจะมาบอมอยากก็มาอะไรประชาชนก็อดอยากขาดแคลนเดือดร้อนไปหมดแล้วบอกว่าเป็นของเราเนี่ยนะมันน่าเบื่อหน่ายขนาดไหนขันห้าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นกรรมทั้งหลายที่เราทํามันก็อยากให้ผลอ่ะนะไม่รู้กุศลวิบากอกุศลวิบากมันอยากให้ผลมันก็ให้ผลของมันไปร่างกายทั้งหลายมันก็ไปตามเรื่องของมันไป เวทนามันอยากสุขมันก็สุขได้ปัจจัยมันก็สุขได้ปัจจัยมันก็ทุกได้ปัจจัยมันก็เฉยเฉยสัญญาเดี๋ยวก็กุศลสัญญาบ้างอากุศลสัญญาบ้างสังขารเดี๋ยวกุศล เ, เจตสิกอกุศลเจตสิกก็ไหลเข้ามาวิญญาณเดี๋ยวก็กุศลวิบากอากุศลวิบากก็ไหลสืบเนื่องกันไปเมื่อไม่มีใครมีอํานาจในสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยนะควบคุมอะไรไม่ได้เลยควรหรือที่จะสําคัญหมายว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็น อัตราของเราซึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะจะดูแลควบคุมจริงๆมันก็ทําไม่ได้อย่างมากเนี่ยนะก็ได้ทําเหตุทําปัจจัยได้นิตรี่หน่อยๆเท่านั้นเองแต่ไม่มีใครมีอํานาจคุมว่าจงเป็นเช่นนี้ตลอดไปขอสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงจงเที่ยงขอสังขารทั้งหลายที่เป็นทุกข์ขอให้มีความสุขขอให้มีอํานาจดูแลได้ทําได้จริงไหม ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพราะถ้าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือการออกจากวัตทุกได้เนี่ยแต่ทีนี้ปัญหาว่าเราไม่คิดว่าการออกจากวัตจัเป็นสุขสาคัญว่าวัตจัเป็นสุขการออกจากวัตจัเป็นทุกข์ไม่เชื่อชวนคนไปศึกษาธรรมะเพื่อออกจากวัตจดูสิไปสักเท่าไหร่ การออกจากวัตะทุกข์มากเรียนก็ยากเป็นท้นเด่นนะแต่ถ้าเรียนวิชาในวัตะปวดหัวบ้างก็ไม่เป็นไรอยู่ได้ทนได้ลำบากขนาดไหนก็ได้นอนดึกดื่นขนาดไหนก็ทนได้หมดอ่ะนะแต่ถ้าศึกษาเพื่อออกจากวัฏะไ ม, ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะป่วยดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีท่านผู้ขันห้าในวัตะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้สังสมอุปนิสัยเพื่อที่จะ เพื่อที่จะออกเนี่ยนะเพราะการเจริญกุศลเนี่ยควรตั้งความปรารถนาเพื่อเพื่อจะออกถามว่าออกกับไม่ออกอันไหนดีกักนออกดีกว่าสมมติว่าเหมือนกับว่าถนนที่เราต้องเดินผ่านเดินทางต่อไปเนี่ยนะแค่เดินทางในโลกถ้าเราคิดง่ายๆว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเกิดทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปอยู่ในทุกสภาพหมดเลยเนี่ยถามว่ามันน่าอยู่ไหม คือชีวิตถ้ามองแบบพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มองชีวิตกันแค่ชาติเดียวไม่ได้มองชีวิตแค่ชาตินี้ชาติเดียวมองไปอีกกี่ชาติดีนไมองเป็นอสงไขยเป็นหลายสิบอสงไขยหลายๆล้านอสงไขยอสงไขยของอสงไขยอีกครั้งหนึ่งมันก็อยู่อย่างนั้นไปเนี่ยนะก็อย่างที่บ่อยกล่าวบ่อยๆว่าน้ําตาที่เราเสียใจกับทุกเรื่องมาเนี่ยนะถ้าเก็บสะสมมามันก็มากกว่าน้ําทะเล น้ำนมที่เราเดื่มกินก็มากกว่าน้ําทะเลถูกเขาเข่นถูกเขาฆ่าเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยนะก็มากกว่าน้ําทะเลทํางานเนี่ยนะเหงื่อไหลหยดย้อยก็อันนี้โอ้ยหลายทะเลทำ ง, งานาแล้วเหงื่อเหงื่อเหงื่อโทมเนี่ ย, ยนะก็หลายทะเลเพราะฉะนั้นในสังสารทุก์เนี่ยนะถ้าความเสียใจที่เราเก็บเอาไว้มันจะเท่าไหรนะ่เนาะสั่งสมอัธยาสัยแห่งความเสียอกเสียใจไว้เท่าไหร่เสียใจทีน้ําตาก็ไหลทีไล้เสียใจที่ยังไม่หลังน้ําตาจะขนาดไหน วันนี้แค่เก็บส่วนที่เป็นน้ำตาและสะสมความเสียใจมาเท่าไรแล้วสะสมความกโกรธมาเท่าไรแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจเป็นที่ตั้งแห่งความลําบากใจเป็นที่ตั้งแห่งความรับแค้นใจพันการอยู่จริงๆเนี่ยจึงเดือดร้อนมากการออกนี้เป็นเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าศึกษาพระธรรมถูกต้องเนี่ยนะแม้แต่ฟังคาว่าออกนี่ก็ดีใจ เนี่ยแม้แต่ฟังคําว่าออกได้นี่ก็ดีใจมากแล้วนะเหมือนกับว่าป่วยมานานรื้อรังมานานดูท่าไม่หายเลยอะ่ะแต่มีคนมาบอกว่าหายได้แหมฟังก็ชื่นใจเลยใช่ไหมรังสมมุติว่าอย่างบางคนเนี่ยก็บอกโอ้งานนี้ตายแนย่ตายแนย่แล้วก็ตัวเองก็เชื่อว่าตายแต่ถ้ามีบางคนบอกไม่ตายหรอกแหมแอบดีใจนะแต่เทียงเถียงไปอย่างนั้นอนะ่ะคงไม่รอดหรอกก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าใจจริงๆนี่แอบแอบดีใจแล้วว่างานนี้อาจจะรอดก็ได้นี่นะ คนไข้เป็นไงไหมคุณหมอถ้าบอกว่าอุ้ยถ้าคุณหมอพูดว่าหายโอหถ้าอย่างงี้ยิ้มแป้เลยนะแต่บอกไม่หายหรอกหน้าเศร้าเลยนะนนะนะธรรมดานะหมอบอกก็ธรรมดาหน้านี้เหลือนิดเดียวใช่ไหมอุย้ยคุณนี่อีกไม่นานเดี๋ยวก็ตายละโอโหถ้าพูดอย่างนี้นะเดือดร้อนมากเลยนะศัตรูคู่เวรคู่อาฆาตด่าแรงเลยแนหะ บอกว่าอยู่ที่บ้านก็ตายแล้วไม่ต้องมาหาหมอก็ได้แต่พูดอย่างนั้นน่ะเนาะแต่นี่หมายถึงว่าคุณไม่ตายหรอกวันนี้อ่ะนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้เขาจะคุณไม่ตายหรอกแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะใช่ไหมก็ชั่วโมงนี้ยังไงคุณยังอยู่แ <laughs> ต่พูดอย่างนี้เขาดีใจนะแต่เราไม่ได้พูดทั้งหมดใช่ไหมบอกไม่ตายหรอกอันนี้เราชื่นใจกันฉันอ่าชั้นใดก็ดีความเป็นไปในวัตฏะถ้าใครรู้จักวัตฏะดีเพียงพอเนี่ยนะ การออกจากวัตตะนี่เป็นของดีจริงๆฟังคำว่าออกก็ดีใจแล้วฟังคำว่าออกจากวัตตะก็สบายใจแล้วถ้ายิ่งบอกวิธีที่จะออกจากวัตตะด้วยยิ่งดีใจยิ่งสบายใจโล่งใจเลยว่าโอ้โหนี่วิธีที่จะออกจากกองทุกข์มันออกได้อย่างนี้ไม่ใช่ออกไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้ถึงยังออกไม่ได้แต่แนวโน้มต่อไปจะต้องต้องออกได้แน่นอนเนี่ยนะเหมือนกับคนที่เกิดมาเนี่ยนะ ภาระที่คนอื่นอะไรนะั้นมันเกิดมาทุกขตลอดแล้วบอกว่ามีนะความสุขมีอยู่นะแม่พอได้ยินว่าความสุขมีอยู่ก็ดีใจแล้วมีใครมาบอกวิธีที่ทําให้ถึงความสุขด้วยแล้วยิ่งดีใจผู้ที่เข้าใจความเป็นไปของชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยนะเห็นความเป็นไปของกองทุกข์ที่เป็นเป็นโศกกะปริเทวะทุกขโทมานัสอุปาญาตเมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธา เมื่อเกิดศรัทธาก็ฟังทำฟั ง, ง, งคําสอนจงสามารถเอามาพิจารณาไข้ควรวนได้ถ้าปฏิบัติตามก็ถึงความสุขเคยได้ยินพระอริยะท่านบน่นไหมทุกเลอเกินทุกเลอเกิ น, ท, กกนที่มาศึกษาพระธรรมไม่น่ามาศึกษาเลยเป็นต้นเนี่ยเคยได้ยินไหมอ่านในพระไตรปิฎกาาเป็นต้นมีแต่บอกว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราเนาะเราได้ดีแล้วเนาะการเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นการเข้ามาที่ไม่ผิดแล้วเนาะท่านดีใจมาก ที่ที่ที่ได้เป็นอย่างนั้นของเราทั้งหลายที่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนก็คงคงจะเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งใช่ไหมตั้งอัธยาศัยว่าการที่เราได้ศึกษาพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการศึกษาที่ดีแล้วหนอเป็นการศึกษาเพื่อความพ้นทุกเนาะเนี่ยนะแล้วก็รู้ด้วยว่าทำไมจึงพ้นทุกอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกขอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขสมุทัยศัตท์ทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความทุกขมรรษัตทเป็นเหตุแห่ง ความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรละที่กล่าวไปทั้งหมดว่าจากักขุเป็นต้นควรละนี่หมายถึงละสมุทยัยสัจจะซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์จะได้มาเจริญมรรคสัจจะซึ่งเป็นเหตุแห่งความสุขเนี่ยนะเพราะฉะนั้นส่วนปหาตปธรรมก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ไปนี้มีใครจะอยากจะสอบถามอะไรบ้างไหมถ้าไม่ถามจะให้สวดมนตนะ์ไหเจริญกรรมฐาน